วิธีส่งญาติแบบพุดจะทาโดยอรวรันจตุรัตวัฒนากูลไม่มีใครไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายในขณะที่กำลังจะตายการได้พูดคุยกับใครในช่วงเท็ท้ายชีวิตมีความหมายมากกว่าที่คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ป่วย ไม่ได้เตรียมตัวรับมือวาระสุดท้ายไว้ก่อนด้วยตนเองไม่ได้มีศรัทธาไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความเข้าใจจิตจะเคว้งควางคล้ายคนหลงทางได้ยินเสียงใครบอกให้หันซ้ายก็เป๋ไปทางซ้ายได้ยินเสียงใครบอกให้หันไปทางขวาก็เป๋ไปทางขวาเมื่อทําความเข้าใจว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายมักมีจิตที่หวั่นไหวง่ายคล้อยตามง่าย คำพูดแม้แต่เพียงเล็กน้อยที่ไม่สมเหตุสมผลก็อาจบังเกิดผลใหญ่หลวงได้เมื่อ น, นั้นคุณจะเห็นความสำคัญของการตระเตรียมคำพูดไว้ก่อนในแบบที่มั่นใจว่าเป็นแนวทางของคนรู้จริงไม่ใช่เวลามาลองผิดลองถูกเพราะถ้าผิดขึ้นมาจะหาการตายรอบใหม่มาแก้ตัวกันไม่ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่สุดของคุณ อาจเป็นทางไปที่ดีที่สุดของญาติก็ได้ถ้าญาติเคยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าแล้วคุณเกรงว่าญาติจะดื้อดึงหากสนทนากันในเรื่องทานองนี้ก็ขอให้ตั้งความเชื่อไว้ก่อนว่าความรู้สึกของผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่างกันมากกับความรู้สึกของคนปกติที่ยังอยู่ได้อีกนานที่จะคิดต่อต้านอยากขัดขานหรืออยากถกเถียงว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริง จะอ่อนกำลังลงจนแทบไม่เหลืออุปมาเหมือนคนหลงเข้าป่าแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ระหว่างทางที่เดินผ่านบางทีก็พบหินสวยแก้วใสเลยเก็บขึ้นมาพกติดตัวไปด้วยแต่บางทีก็พบพืชพันธุ์บางชนิดส่งกลิ่นล่อใจแม้รู้สึกระคายและก็อดไม่ได้ที่จะเก็บเกี่ยวติดตัวมาด้วยเช่นกันทั้งที่ไม่ทราบเลยว่าจะเก็บไว้ทาไม เดินทางตัดป่ามาเรื่อยอยังไม่ทราบว่าเมื่อใดจะถึงเวลาพ้นแต่ด้วยเพราะเส้นทางของป่านั้นเป็นทางตรงจึงดุ่มเดินมาเรื่อยกระทั่งป่าโปร่งขึ้นทุกทีจึงเริ่มสันนิษฐานว่าน่าจะใกล้ได้ออกจากป่าเร็วๆนี้แล้วยิ่งใกล้เขตสิ้นสุดแนวป่าสันชาตาญานจะยิ่งบอกตอนเองว่าอินสวยที่เก็บมาพืชพันธัญยาที่แบกไว้ไม่น่าจะเป็นไปเพื่อทิ้งเปล่า แต่ยังต้องติดตัวต่อไปและน่าจะได้ใช้ในทางใดทางหนึ่งชันใดก็ฉันนั้นอุปมายคนเราสั่งสมมาทั้งบุญทั้งบาปทั้งความทรงจำด้านสว่างและทั้งความทรงจำด้านมืดเมื่อใกล้ตายย่อมไม่มีใครฝืนหลอกตัวเองต่อไปได้ว่าจบแล้วก็จบกันสมองตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกทุกสิ่งจะถูกทิ้งไว้ให้สูญหายพร้อมกับศพ อันจะต้องเน่าเปื่อยไร้ประโยชน์ของตนกรรมทั้งหลายที่ก่อไว้ล้วนดับหายสลายไปพร้อมลมหายใจสุดท้ายนั่นเองต่อให้เคยเชื่อว่าตายแล้วศูนมาทั้งชีวิตหรืออยากเชื่อใจแทบขาดว่าชีวิตเป็นเพียงการทํางานของสมองทําอะไรอะไรไว้จะไม่มีผลแต่ณขณะโมรณาก็รู้สึกเชื่อไม่ลงอีกต่อไปเลยฉะนั้น อย่าดูถูกความสามารถของคุณเองแม้จะรู้สึกเหมือนยังไม่รู้ไม่เข้าใจไม่จะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องหลังความตายแต่ถ้าคุณพูดให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายฟังแล้วสบายใจธรรมชาติของเขาหรือเธอก็จะทำงานเองรับไปจัดการต่อยอดยาวไกลเกินกว่าที่คุณจะคิดฝันว่าเป็นได้ขนาดนั้นขอให้ระลึกไว้ว่า สำหรับผู้อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ยังพึ่งบุญของตัวเองไม่ได้ระลึกถึงบุญที่เคยทำไม่ไหวทำบุญด้วยใจในปัจจุบันไม่เป็นก็มีแต่ญาตินั่นเองเป็นบุญสุดท้ายที่เหลือให้พึ่งพาด้วยการระลึกเช่นนี้คุณจะกระตือรือร้นมีแกใจทำตัวเป็นที่พึ่งทางวิญญาณมากกว่าที่เคย หลักการส่งญาติขึ้นฟ้าของพระพุทธเจ้าในคีฬานสูตรพระพุทธเจ้าให้หลักวิธีส่งญาติขึ้นฟ้าเงื่อนไขคือผู้ป่วยใกล้มรณะที่เข้าข่ายทรงให้ไปดีได้ตามแบบของพระองค์ต้องเป็นชาวพุทธผู้มีสติปัญญารักษาศีลมาดีโดยเฉพาะในช่วงท้ายท้ายของชีวิตซึ่งจะง่ายและเป็นไปได้จริง ที่ญาติจะช่วยพูดปลอบเป็นขั้นๆ้นให้เกิดความเบาใจกระเทาะเปลือกความพวงที่ห่อหุ้มอยู่ให้หลุดออกที่ะเบาะดังนี้ข้อที่หนึ่งสร้างความอุ่นใจโดยย้ำเตือนให้ผู้ป่วยระลึกถึงธรรมะที่มีจริงในตนและนำทุนรอนมาใช้อาศัยพาตนออกจากโลกด้วยความเบาสบายพระพุทธเจ้าตรัสเรียกธรรมะดังกล่าวว่า ธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการได้แก่ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสหนึ่งความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมอันพระพุทธเจ้าสแสดงไว้ดีแล้วหนึ่งความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหนึ่งและสุดท้ายคือศีลที่พระอริยเจ้ารักหนึ่ง เมื่อศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างพร้อยก็ยอมเป็นไปเพื่อสมาธิมีจิตตั้งมั่นแจ่มใสในขณะจะต้องละร่างนี้ไปข้อที่สองคลายความห่วงใยในบิดามารดาถ้าเขายังมีความห่วงก็ให้กล่าวว่าถึงแม้ห่วงหรือไม่ห่วง บิดามารดาก็ต้องล้มหายตายจากเหมือนกับที่เขากำลังจะต้องจากโลกนี้ไปเช่นกัน <c oughs> ข้อที่สามคลายความห่วงบุตรสามีหรือภริยาถ้าเขายังมีความห่วงก็ให้กล่าวว่าถึงแม้ห่วงหรือไม่ห่วงบุตรหรือสามีหรือภริยานั้นก็ต้องล้มหายตายจากเหมือนกับที่เขากาลังจะต้องจากโลกนี้ไปเช่นกัน ข้อที่สคลายความยึดติดในสิ่งน่าติดใจในโลกนี้ถ้าเขายังมีความติดใจในกา ร, รมคุณห้าอันเป็นของมนุษย์ก็ให้กล่าวว่าก ร, รมอันเป็นทิพย์ของสวรรค์ชั้นจ่าตุมหาราศดีกว่าประนีตกว่ากรรมอันเป็นของมนุษย์ข้อที่หเมื่อเห็นเขาอยากได้ก ร, รมอันเป็นทิพย์ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราศแล้วก็ให้กล่าวว่า การอันเป็นทิพย์ของสวรรค์ชั้นดาวดึงดีกว่าประนิดกว่านั้นอีกข้อที่6เมื่อเห็นเขาอยากได้กามอันเป็นทิพย nice ์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ให้กล่าวว่าการอันเป็นทิพย์ของสวรรค์ชั้นยามาดีกว่าประนิดกว่านั้นอีกข้อที่7เมื่อเห็นเขาอยากได้การอันเป็นทิพย์ในสวรรค์ชั้นยามาแล้วก็ให้กล่าวว่า กามอันเป็นทิพย์ของสวรรค์ชั้นดูสิทธ์ดีกว่าประณีตกว่านั้นอีกข้อที่8เมื่อเห็นเขาอยากได้กามอันเป็นทิพย์ในสวรรค์ชั้นดูสิทธ์แล้วก็ให้กล่าวว่ากามอันเป็นทิพย์ของสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีดีกว่าประณีตกว่านั้นอีกข้อที่9เมื่อเห็นเขาอยากได้กามอันเป็นทิพย์ในสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีแล้วก็ให้กล่าวว่า การอันเป็นทิพย์ของสวรรค์ชั้นปรนิมิตาสวัตตีดีกว่าพระนีทกว่านั้นอีกข้อที่10เมื่อเห็นเขาอยากได้การอันเป็นทิพย์ในสวรรค์ชั้นปรนิมิตาสวัตตีแล้ ว, ลวก็ให้กล่าวว่าโรมมาโลกดีกว่าพระนีทกว่านั้นอีกข้อที่สิเอ็มื่อเห็นเขาอยากเข้าถึงโรมมโลกอันมีอายุยืนกว่าสวรรค์ทั้งปวงก็ให้กล่าวว่า แม้โรมโลกก็ไม่เที่ยงและยังมีความสาคัญมั่นหมายว่ามีตัวตนขอให้รากจิตออกจากโรมโลกและนนำจิตเข้าไปสู่การดับความสาคัญมั่นหมายว่ามีตัวตนจะดีที่สุดถึงตรงนั้นจะไม่มีความต่างอะไรกันระหว่างอุบาสกผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกษุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปีเพราะย่อมถึงความเป็นที่สุด คือพ้นทุกข์ทั้งปวงด้วยวิมุตตเหมือนกัน